เทวดาปลาดุกวันหนึ่งในปีพศส5 5 0เวลาประมาณ 15.30 น, น, นาฬิกนาทีขณะที่เรากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านอยู่ๆหูของเราทั้งสองข้างก็ดับไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกเรานั่งนิ่งๆอยู่อย่างนั้นประมาณ5นาที โดยไม่ได้สนใจรา ย, รายการโทรทัศน์เบื้องหน้าความสงบนิ่งได้แผ่ขยายอยู่ในตัวเราความรู้สึกตื่นตัวมีสติระลึกถึงลมหายใจบังเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราก็ได้รับสัมผัสสัมผัสหนึ่งดังก้องอยู่ภายในของเราสัมผัสนั้นบอกเราว่าพวกเราเป็นปลาดุกหัวโตเราอยู่จะตายอยู่แล้วช่วยพวกเราด้วยพวกเราเป็นปลาดุกอยู่ในอ่างเก็บน้าพวกเราทรมานมาก ย่จนเป็นประดุกโตกันหมดแล้วได้โปรดเมตตาพวกเราด้วยสัมผัสนั้นชัดมากเราทบทวนว่าจิตของเราปรุงแต่งสัมผัสนี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าโดยการกําหนดลมหายใจเข้าออกทบทวนสติณขณะนั้นแล้วสัมผัสนั้นก็ดังก้องขึ้นมาอีกว่าช่วยพวกเราด้วยเถอะพวกเราอยู่มากไปไหนไม่ได้เลยในจิตนั้นเราถามกลับไปว่าพวกท่านเป็นใคร พวกเราเป็นปลาดุกหัวโตกระแสแห่งจิตนั้นได้โต้ตอบเราที่ว่าพวกเรานะ่ะพวกท่านมีจำนวนเท่าไหร่พวกเรามีจำนวนประมาณหนึ่งแสนที่ว่าหนึ่งแสนพวกท่านอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพวกท่านต้องการให้เราช่วยอย่างไรพวกเราหิวมากในอ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่มีอาหารเลย พวกเราต้องคอยอาศัยกินร่างที่ตายแล้วของพวกเดียวกันไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเราอยู่ที่เนี่ยลำบากมากเมตตาพวกเราด้วยเถอะเราถอนออกจากสมาธินั้นและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังทั้งเราและแม่สงสัยกันว่าจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่ออ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำธรรมชาติทั้งยังเป็นสถานที่ราชการและทุกครั้งที่เราผ่านพระราชานุสาวรีนี้ เราจะมองไปที่อ่างเก็บน้ำเวิงน้ำที่กว้างใหญ่นั้นดูเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่เลยแล้วอยู่ๆจะมีปลาดุกจำนวนหนึ่งแสนตัวมาได้อย่างไรอีกทั้งเมื่อคราวที่เจ้าประคุณมาถวายราชสักการะณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเมื่อปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2546เราในฐานะสิทยานุสิ์ได้เป็นผู้เตรียมการรับเจ้าประคุณในครั้งนั้น ท่านมีประสงค์จะบำเพ็ญกุศลปล่อยพันปลาจำนวนแปดหมพันตัวเราได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการอ่างเก็บน้ําตามพระราชดําริพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้อ่างเก็บน้ํานี้เป็นที่ให้เจ้าประคุณปล่อยพันปลาเนื่องจากเจ้าประคุณจะมาณนะพระราชานุสาวรีนี้อยู่แล้วตามกําหนดการซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอ่างเก็บน้ํานี้ไม่ใช่อ่างเก็บน้ําธรรมชาติ ที่จะมีแหล่งอาหารและมีน้ำที่ถ่ายเทตลอดเวลาแต่อ่างเก็บน้ำนี้ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำในหน้าน้ำเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในหน้าแง้งจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ปล่อยพันปลาดังนั้นเราจึงได้นิมนต์เจ้าประคุณไปปล่อยพันปลาที่วัดพนันเชิงแทนด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงเข้าใจมาโดยตลอดว่าอ่างเก็บน้านี้ไม่มีปลาอาศัยอยู่แต่เมื่อเราได้รับสัมผัสที่ชัดเจนเราจึงชวนแม่เราไปพิสูจน์ เพราะใจเราไม่เชื่อว่าจะมีปลาดุกมากมายขนาดนั้นเราคิดไปว่าก็อาจจะมีบ้างที่มีคนแอบนามาปล่อยแต่ก็คงไม่มากมายอะไรเราชวนแม่ไปดูที่อ่างเก็บน้ำพร้อมทั้งซื้ออาหารปลาที่หน้าหมู่บ้านไปด้วยเมื่อไปถึงเราไม่เห็นปลาดุกแม้ตัวเดียวมองลงไปในน้ำที่ใสแต่ดูลึกเราก็ไม่พบอะไรเลย เราคิดในใจว่าโดนจิตตัวเองหลอเสียแล้วแต่ขณะที่กำลังจะหันหลังกลับเราได้รับกระแสของจิตดังกล้องภายในว่าพวกเราอยู่นี่และปลาดุกตัวแรกก็เริ่มโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำการขึ้นมาของปลาดุกตัวนั้นเป็นการพุ่งดิ่งขึ้นมาจากก้นสระไม่ใช่การว่ายแบบที่เราเคยเห็นจากนั้นปลาดุกอื่นๆก็เริ่มปรากฏตัวขึ้น มาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญปลาดุกทุกตัวอยู่ในสภาพที่ผอมเป็นอย่างมากทุกตัวมีหัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดที่ผอมแห้งของลำตัวหลังจากวันนั้นเราได้นำเรื่องปลาดุกนี้ไปกราบเรียนเจ้าประคุณและเจ้าคุณเลขาท่านทั้งสองได้เมตตาให้อาหารปลาดุกแกเราเพิ่มเติมในโอกาสวันเกิดของเรา โดยเจ้าประคุณได้เมตตาให้อาหารปลาดุกเท่าอายุของเราเป็นจำนวนกระสอบส่วนท่านเจ้าคุณเลขาได้เมตตาให้เท่าวันเกิดคือเราเกิดวันพฤหั ส, สบพดีนับเป็นวันที่ห้าของสัปดาห์ท่านจึงให้อาหารปลาดุกห้ากระสอบเมื่อเรื่องปลาดุกหัวโตได้ขยายมาถึงท่านเจ้าคุณเลขาในครั้งแรกนั้น ท่านได้ประสานงานไปยังสิทธานุสิตของท่านที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างนาอาหารไปให้ปลาดุกที่อ่างเก็บน้ากันจานวนมากหลายหน่วยงานรีบเข้ามาสารวจและหาทางช่วยเหลือย้อนกลับมาที่กรุงเทพเมื่อเรานำเรื่องปลาดุกบัวโตมาเล่าให้ท่านเจ้าคุณเลขาของเจ้าประคุณทราบท่านได้เมตตาแนะนาเราว่า มีพระเทระอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราน่าจะนําเรื่องปลาดุกหัวโตนี้ไปกราบเรียนท่านด้วยเราจึงนําเรื่องดังกล่าวไปกราบเรียนพระเทระรูปนั้นและด้วยเมตตาไม่มีประมาณพระเทระรูปนั้นได้มอบอาหารปลาดุกให้เราเท่ากับกําลังวันของเราคือเราเกิดวันพฤหัสบดีมีกําลังพระเคราะห์เท่ากับ19 ท่านจึงมอบอาหารปลาดุกให้เท่ากำลังพระเค์นั้นแล้วท่านยังมีเมตตาให้หลานของท่านพร้อมคณะสิทธยาณุสิทธ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยกันดูแลปลาดุกเหล่านี้ต่อไปนอกจากที่เราได้นําความเรื่องปลาดุกหัวโตนี้ไปกราบเรียนพระเถระแล้วเมื่อเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีผู้หวังดีได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังสื่อมวลชนซึ่งปรากฏว่าเรื่องราวของปลาดุกหัวโตนี้ได้รับการถ่ายทอดไปทางสื่อโทรทัศน์หลายช่องรวมถึงวิทยุและหนังสือพิมพ์ทําให้ทุกวันนี้ได้มีผู้ใจบุญแวะเวียนกันไปให้อาหารปลาดุกอย่างสม่ําเสมอจนอาการหัวโตหมดไปจากเดิมที่ปลาดุกเหล่านั้นล้วนมีสภาพเหมือนมีแต่ร่างกายที่เวียนว่ายในน้ําแต่แทบจะไร้วิญญาณแต่ทุกวันนี้ ด้วยเมตตามไม่มีประมาณเริ่มจากพระมหาเถระและพระเถระทั้งสามรูปได้ขยายออกไปสู่ชนหมู่มากพลานิสงจึงเพิ่มพูนอย่างไพศาลอำนวยผลให้ปลาดุกเหล่านี้มีความเป็น <en> er Gente, อยู่ที่ดีขึ้นโดยลำดับเรากลับมาพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ปลาดุกหัวโตเลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขากับเราแล้วจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นเพียงตัวผาน ที่จะนำเรื่องราวไปถึงพระมหาเทระและพระเทระทั้งสามองค์นั้นและเมื่อเหตุกับปัจจัยพร้อมด้วยกันทั้งสองด้านแล้วผลที่สะท้อนกลับมาหาปลาดุกหัวโตเหล่านั้นจึงยิ่งใหญ่และยังผลให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นจากทุกขเวทนาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเมตตาของพระเทระทั้งหมดนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตของปลาดุกหัวโตที่ส่งกระแสแห่งจิตมาถึงเรานั้นเป็นจิตที่สูงเสมอกับเราด้วยสามารถพิจารณาผลที่จะสะท้อนกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิทผลอย่างผลให้บริวารของปลาดุกหัวโตทั้งหลายนั้นมีความสุขเสมอกันคุณภาพของจิตในปลาดุกหัวโตนั้นเราเชื่อว่ามีอยู่ในระดับที่ดีเสมอมนุษย์ แต่ด้วยวิบากกรรมที่ทำมายังผลให้ต้องไปเกิดเป็นปละดุกดังเช่นที่เจ้าพระคุณท่านสอนว่าทุกคนมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันเราจึงเชื่อว่าปละดุกหัวโตวที่ส่งกระแสจิตมาถึงเรานั้นจะต้องเป็นเทวดาในระดับใดระดับหนึ่งจึงสามารถคํานวณผลสะท้อนกลับได้อย่างเฉียบแหลมเพียงแต่ว่าในพบในชาตินี้ปลดุกหัวโตวตนนั้น ต้องใช้วิบากกรรมโดยที่ต้องเกิดเป็นเดรัจฉานเพื่อให้หมดสิ้นวิบากกรรมในชาตินี้เท่านั้นเองท้ายสุดของเรื่องนี้เราจึงอยากจะเรียกปลาดุกหัวโตเสใหม่ว่าเทวดาปลาดุกผู้เล่าเรื่องนี้ได้ประสบเหตุการณ์กับตัวเองผมได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดและนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดคนอาจเกิดเป็นสัตว์ไดรัชฐานเทพเทวดาอาจเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ได้เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทให้มีความอารีต่อกันความยากแค้นของเหล่าปลาดุกที่สามารถส่งกระแสจิตไปถึงคนคนหนึ่งเพื่อขอความสงเคราะห์และสามารถโต้ตอบกันได้นี้เป็นเรื่องจริงปัจจุบันนี้เวลาท่านไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เบื้องใหญ่อ่างเก็บน้ำแวะไปหาเขาสักนิดเอาอาหารติดมือไปสักหน่อยเขาอาจกำลังหิวอยู่ก็เป็นได้หลวงชื่อคุณหลวง